ติดต่อประสานงานพูดคุยกระตุ้นเตือนมีความมุ่งมั่นอยากจะให้กิจกรรมในการที่ในเรื่องนี้เกิดขึ้นให้ได้ไม่รู้เรื่องใดปรึกษาผู้รู้ในมุมนั้นหาผู้รู้ในแต่ละด้านแต่ละด้านมารวมกันแล้วก็ให้ทุกคนน่มีจิตใจมุ่งมั่นกันว่าเราจะทาความงามของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้านี่มีความงามทุกด้านอยู่แล้ว พวกเราเห็นความงามของพระทเจ้าแต่ละด้านแต่ละด้านไม่เท่ากันบางคนเห็นความงามด้านพุทธศินบางคนเห็นความงามทางด้านของประวัติศาสตร์บางคนเห็นความงามในทางด้านของของเนื้อธรรมะแต่ละข้อบางคนก็เห็นความงามในด้านของพุทธสถานทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นภาพกิจกรรมฝาผนังอะไรก็แล้วแต่เถอะตลอดถึงพุทธปฏิมากรพุทธปฏิมากรรม แล้วกับพุทธเจดีเห็นความงามของพระบรมสารีาริธกธาตุสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีพร้อมมูลอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะร้อยเรียงสิ่งเหล่านี้มารวมกันหาผู้รู้ทั้งหลายเหล่านี้มาช่วยกันใช้ศักยภาพความรู้ความสามารถของแต่และบุคคลมานะเข้ามาแล้วก็มาคัดกรองให้มันเป็นประโยชน์จริงๆเพื่อจะได้ว่าบุคคลทั้งหลายที่เขามีความ ขาดตกบกพร่องมุมใดเขาก็มาศึกษาเพิ่มเติมได้รู้ได้เข้าใจในมุมนั้นไม่ได้ได้แค่ประวัติศาสตร์อย่างเดียวแต่เขากับเจาะจากประวัติศาสตร์เข้าถึงสาระธรรมะในที่นั้นเป็นต้นได้ถ้าถามว่าด้านประวัติศาสตร์สําคัญไหมก็ต้องสําคัญพระเจ้าเนี่ยบำเพ็ญบารมีมาอย่างไรเรายังต้องต้องศึกษาเมื่อบําเพ็ญบารมีแล้วมีการประพฤติปฏิบัติอย่างไรเข้าถึงธรรมะอย่างไร เมื่อเข้าถึงธรรมะอย่างไรแล้วธรรมะที่พระองค์ทรงเอามาเปิดเผยมาแสดงมาบอกกล่าวมาทําให้ง่ายมาทําให้ตื้นต่อพุทธบริษัททั้งหลายจะเข้าถึงตัวสารธรรมตรงนั้นก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่เรานอกจากได้เปลือกใช่ไหมได้เปลือกได้กระพี้เข้าไปแล้วเข้าถึงแก่นเข้าถึงเนื้อใ น, นได้แล้วมันก็ได้เป็นประโยชน์ทุกส่วนนั้นพุทธศาสนามีหลายส่วนส่วนทั้งด้านของาศาสนวัตถุเราก็เข้าใจ นะาศาสนวัตถุทั้งหลายเราเนี่ยาาศาสนาบุคคลแล้วก็เข้าใจอีกาศาสนพิธีเออเข้าใจเจาะเข้าห า, าศาสนาธรรมคือคําสอนโอ้ยิ่งเข้าใจเยอะเลยนั้นเราจะต้องเราก็จะต้องเข้าไปเคี้ยวเข้าไปค่อยๆกินค่อยๆวิจัยแยกแยะจนเข้าถึงาศาสนาธรรมแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดที่จะตาพาชีวิตของเราเนี่ยให้เข้าถึงความดับทุกข์ได้จริง ไม่ใช่ไปณจุดใดจุดหนึ่งและเราก็ไปติดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงแก่นของพุทธศาสนาได้ตอนนี้เราเข้าถึงพุทธศินในทางด้านของพุทธปฏิมากรรมด้านาศาสนวัตถุโบราณวัตถุโบราณสถานเข้าถึงในเรื่องของพระอัฐิธาตเข้าถึงพระพุทธศรีลคุณในด้านของความงดงามในการสร้างแต่ละยุคแต่ละสมัยได้แล้วนี่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 เข้าถึงสมาธิบางคนก็หยุดอยู่แค่สมาธิได้สุขสมนัติจากสมาธิได้ความตั้งมั่นต่อสมาธิยังไม่พอต้องพัฒนาต่อไปปัญญาปัญญาระดับไหนปัญญาระดับเหตุระดับผลปัญญาระดับเห็นไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปัญญาระดับเข้าถึงการดับกิเลสและกองทุกข์เข้าถึงพระ น, นิพพานโอ้มันมีอีกหลายระดับเลยนั่นเราหยุดอยู่ไม่ได้โดยเฉพาะเรายังมาติดแค่เปลือกแค่ประวัติศาสตร์อย่างเดียวไม่ได้เราต้องเจาะเข้าถึงให้ได้นั่นจะต้องช่วยกันประคับประคอง ใครได้มุมไหนอย่างไรจูงกันดึงกันเพื่อจะเข้าถึงคําสอนแก่นแท้ของพุทธศาสนาให้ได้ถ้ายังติดอยู่ณจุดไหนก็ช่วยกันดึงช่วยกันชักช่วยกันลากเข้าไปที่สุดยริงมันจะได้ประโยชน์สูงสุดเขาจยังห้ามหยุดอยู่งัหยุดก็ประมาทเลยนะพุทธศาสนาถ้ายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางหยุดไม่ได้จุดหมายปลายทางคือวิมุติคือการหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกขนะ์ถ้ามาหยุดอยู่แค่นี้แย่เลยกลายเป็นคนประมาทเลย แย่เลยแต่ในชีวิตไม่ได้ไปไหนเลยบางคนมาติดอยู่แค่เปลือกเนี้ยนะมาติดอยู่แค่ทรัพย์เนี้ยเอไปมีตายเลยไปไม่เป็นเลยบางคนก็ติดอยู่แค่วัตถุพอไปเห็นโบสถ์เห็นโบราณวัตถุโอ้สวยงามติดอยู่แค่ตรงนั้นเองบางคนบอกโอ้โหพุทธศินในยุคนั้นเขาสร้างกันสวยงามเหลือเกินถ่ายภาพออกมาหยุดอยู่แค่นั้นเลยแย่เลย บางคนไปโอ๋เห็นมหาภูริสลักขณะเห็นพระเนตรมีความงดงามเห็นพระณาลาดมีความงดงามเห็นพระนาสิกมีความงดงามเห็นพระทันตะมีความงดงามริมพระโอษมีความงดงามลํพระศรมีความงดงามพระกันก็งามนีพระอังสาก็งดงามพระอุระก็งดงามลำพระวรกายก็มีความงดงามพระชงงดงามเนี่ยดูงามดูนิ้วพระหัตต์ดูแรงต่างก็เลยมาติดอยู่แค่นี้ เลยได้แค่งามแค่ตรงนี้เองถ้าเจาะลงไปอีกเอ๊พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทํากรรมอะไรนาะจึงได้พระเนตรอย่างบำเพ็ญบา ร, รมีข้อไหนทานศีลภาวนาในธรรมะทั้งหลายอะไรนี้จนถึงอุเบกขาบา ร, รมีอุ ป, ป, ปบปราบ ร, รมีสิปรมาธบารมีสิมีพระเนตรอย่างนี้มีพระเนตรนี้จะได้อะไรมีพระชงอย่างนี้จะได้อะไรมีพระนาสิกนี้จะได้อะไรมีริมพโอษฐอย่างนี้จะได้อะไรลักษณะอย่างเนี้มีคติสองเป็นยังไงอยู่คลองเรือนจะเป็นจกักรพรรดิออกบวชจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ย เราเป็นพุทธิเจ้าแล้วจะได้อะไรอู้โหมันเจาะเข้าไปได้ลึกอีกมาเลยนะัเข้านะักเข้าก็เจาะถึงเนื้อหาธรรมะอย่างแท้จริงนี่เขาเรียกว่าเป็นพุทธจริงๆเป็นผู้ที่สแสวงหาปัญญาจริงๆอย่า ง, งไหละ่ะฉนั้นเราเรียนรู้ไม่ใช่เรียนแบบบางคนเนี่ยได้แค่ว่าไปเห็นปุ๊บ ก, ก็มาเรียนแบบเรียนแบบยุคนั้นเป็นอย่างงี้ยุคนี้เป็นอย่างงี้สมัยนั้นเป็นอย่างงี้สมัยก็ได้มารอกแบบเรียนแบบกันอยู่อย่างเงี้ยไม่พอ เราต้องเรียนรู้จเจาะ้าถึงสาระจเจาะก็ถึงธรรมะให้ได้ถ้าอย่างนี้โอ้โหชัดเลยมองเห็นยัง <c oughs> นั้นก็ต้องเข้าใจตรงนี้ก็ต้องเข้าใจใมันถึงให้มันที่สุดจริงๆเราจะต้องเขาเรียกว่าเรียนรู้นะเรียนรู้ให้เข้าถึงความจริงแต่ละระดับให้ได้ความจริงในระดับของวัฒนธรรมประเพณีความจริงในระดับของ พุทธศินปฏิมากรรมความจริงในระดับประวัติศาสตร์แล้วก็ความจริงในระดับของสารธรรมเราก็เอาประโยชน์ของแต่ละความจริงนั้นได้ประโยชน์ที่สุดจริงๆก็ต้องเข้าถึงสาระนั้นถ้าไม่เข้าถึงสาระจริงๆแปลว่างานเขียนก็ดีหรือการทำงานของเราก็ดีก็ยังไม่ประสบจุดหมายปลายทางที่แท้จริง ไม่ตรงตามพุทธประสงค์อย่างแท้จริงเราไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปที่พุทธเจดีย์ไปมองพระเนตรมองใบพัดของพระพุทธเจ้าก็ต้องอ่านพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าให้ออกว่าเราไปไหว้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีพระเนตรมองมาที่เราถามว่าพระพุทธเจ้ามีพระประสงค์อะไรในตัวเรา ก็ต้องมองพระพักมองพระเนตรแล้วก็ต้องเจาะไปที่พุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าให้ให้ออกว่าพระพุทธเจ้าหวังอะไรในตัวเราพระองค์ตั้งปณิธานยังไงเราตัดสู้แล้วจะให้สัตว์อื่นตัดสู้ด้วยเราข้ามพ้นได้แล้วจะให้สัตว์อื่นข้ามได้ด้วยเห็นไหมเรา หายใจคล่องแล้วจะให้สัตว์อื่นหายใจคล่องด้วยพระพุทธเจ้าตัดสู้อยังแล้วเราอ่ะพระเจ้าข้ามได้หรือยังข้ามจากชาติชราพยาทิมอรนะแล้วเราอ่ะพระเจ้าหายใจคล่องหรือยังแล้วเราอ่ะยังหายใจได้ครึ่งเดียวนี่มันเราไม่ไม่เข้าใจพระประสงค์นี่เราไป เนี่ยวาดภาพพระเจดีย์เอ่ยที่เอาภาพพระเจดีย์เอ่ยพุทธศรีละคุณพระบรมศารีราาิ้กระทัดเอ่ยหรือว่าพระรูปของพระพุทธเจ้างดงามทั้งหลายเหล่านี้และพุทธประสงค์ที่พระเจ้าวหวังในตัวพวกเราที่เป็นเราเวนัยชนหรือมนุษยชาติเนี่ยว่าพุทธพุทธประสงค์ต้องการอะไร แล้วเราได้ทําตามพุทธประสงค์แค่ไหนเนี่ยเข้าถึงไหมถ้าก็ไม่ถึงก็มาถามตัวเราเองว้าทาไมเราได้แค่นี้ใช่ไหมเราถ้ามองอย่างนี้มันจะกระตุ้นเตือนตัวเองไหมนะก็ไดกระตุ้นเตือนตัวเราเองโอ้ยู่ไม่ได้ทั้งนั้นไอเราแย่เลยตอนี้เลยไม่ได้ประโยชน์จากการสักแต่ว่าหายใจทิ้งเลยอนนี้หายใจทิ้งแท้ๆเนี่ยทํำไมเราเป็นคนศรัทธาเรามีน้อยนิดเพื่อเกินทำไมมีแค่เนี้ย ทั้งมันเพิ่มได้มีวิธีพุทธิยาบอกวิธีหลากหลายทำไมไม่เจาะหาสารธรรมใช่ไหมเราหรือเราเพียงแค่นี้เองศักยภาพต้งเหลือต้งเยอะแยะแล้วปล่อยศักยภาพอีกมากมายที่เราไม่พันนึกเอามาใช้เอามาทำให้มันเต็มที่น่าเสียดายปล่อยให้แก่ตายไปโอ้โหเสียหายมากเลยใช่ไหมละจะหลับตาลาโลกกันอยู่แล้วเนี่ยขุดขึ้นมาต้นเอามาทาให้มันเต็มที่หน่อยได้ไหม ขออย่างเดียวเราใช้ศักยภาพของเราไม่ถึง15เปอร์เซ็นไม่ถึง20เอร์เซ็น80เปอร์เซ็นตปล่อยมันตายเลยโอ้โหเสียหายมากเลยทั้งๆที่มนุษย์เนี่ยตัดสุ้ได้คนทุกข์ได้ถ้าดำเนินตามแนวทางที่ถูกต้องทำตามพุทธประสงค์แล้วเออทำไมไม่เอาเสียดายไหมล่ะหรือเราจะยอมแก่ตายไป ก็นี่ไงก็ได้กินได้ใช้กันอยู่แค่นี้เองชีวิตทั้งๆ ท, ที่มันมีศักยาภาพที่จะทําได้มากกว่านี้อีกเยอะมากใช่ไหมบางคนเกิดมาแค่ไปหาทรัพย์มามันได้ประโยชน์อะไรเนี่ยก็ดูเนี่ยมีทรัพย์กันเต็มแผ่นดินแล้วแล้วไม่เอาตัวรอดกันไหมเนี่ยนะเขาก็ไม่พ้นจะเกิดเจ็บเจ็บตาอยู่ดีเออทาไมชีวิตเป็นย น, น้ฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็จุดประกายขึ้นมาให้คนได้เห็นไปเยอะถึงมันจะ ยืนอยู่บนท่ามกลางเดินอยู่บนท่ามกลางทั้งคนที่หลับไหลมัวเมาแต่เราน่าจะมีการจุดประกายจุดประทีปขึ้นมาปลุกคนที่หลับหรือพุทธเทียมที่หลับกนเต็มไปหมดให้เขาตื่นขึ้นมาได้เห็นแสงสว่างที่แท้จริงหน่อยได้ไหมก่อนที่เราจะหลับตาลาโลกไปนว่าเราได้เปิดคบเพลิงแห่งธรรมะของพระเจ้า ให้คนได้รับแสงสว่างแล้วี่ได้เป็นประโยชน์กนะันพอไหวไหม